Book 2 9เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าคำสันธานสอง k, k 2. 2> er a ถ a สัมบุ้งเธอไม่ทางานตั้งแต่เมื่อไรเจ้ากับปัน dia tidak bekerja lagi ตั้งแต่เธอแต่งงานหรือ Sejak Dia m ม n น k a ะใช่เธอไม่ทำงานอีกเลยตั้งแต่เธอแต่งงานย า, ยา a g i sejak Dia Menikah ตั้งแต่เธอแต่งงานเธอไม่ทำงานอีกเลย ตั้งแต่พวกเขารู้จักกันพวกเขามีความสุขตั้งแต่พวกเขามีลพวาไม ไ, ไหเเขเจ้ามีค mereka memiliki anak mereka jarang bepergian เ่อโทรศัพี่มาตอนไหน kap ่น ล, าลาี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ลี่ มง endarai มอเตเธอโทรศัพท์ขณะที่เธอขับรถ dia เ i a m e n e l รศัพ ท, ท์ขณะที่เธอรีดผ้าเ a อดูโทรทัขะเธอรดาเธอดูโทรทัศน์ขณะที่เธอรีดผ้าเ i a ด e l i h a t tel ขณะี selama dia เธอดูโทรที่รา เธอฟังเพลงขณะที่เธอทำงานงีาน dia m ั n d e n g a r k a n musik s e l น m a อ i a ง e l a k u k a n p ่เ e r j a a n นเ a ดิฉลาัีนมอังไม่เห็นเลยถ้่าดิฉัีนไม่มนัีแวน่เน saya tidak melihat apapun kalau saya tidak m e n g e นักันก้าดิฉันไม่เข้าใจอะไรเลยถ้าดนตรีดังเกินไป s ั y a tidak mengerti a ย a p u n k ต l a ดั u เ i k n y a s a n g ม t เ e r a s รดตัิปฉันไม่าไลาดกน้ังกัลดิฉันไม่ไ้นตกอลนทีิ่ดนติฉันเอนีป็นหวดดนดนน่ดัิฉันเนดน a y a ด ไมด mencium กมถ้าผมป็นไข้วัดนั่งซ่าเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกเราจะนั่งแท็กซี่ถ้าฝนตกเั่กซี่าฝตเราจะักซี่านเราจะนัทานเราจะนงทางรอบโลกถ้าเราถูกละตเรี่ตกเรัี่กราจินังแทกซี่ถ้นตกเาจนีากาัี ม e ม e น angkan ล o เตอรถ้าอีกเดียวเขายังไม่มาเราจะเริ่มทานข้าว kami มทมทานขรมานขเมทานขร่านข า, าวาทวะ่ทิเราาาราท่